50 l a n g u a อ e s ตต้องการยากคุณอยากทาอะไรต คุณอยากเล่นฟุตบอลไหมต้องกยากต้อยากต้อารอยาองการอองการุยกอยากตาตอต้องการอยากต้ต้องการอยากตอยากต้องการอยากยอยากาาย ไม่ต้องหยต์่อหาหิร j อักษยาต์ดิฉันไม่อยากไปที่นั่น n ม่ต้องหาสินนามินนาไม่ต้องห a สินนามินนาดิฉันต้องการกลับบ้านไม่ต a องหาคนอยู่มินนาไม่ต้องหาคอยู่มินดิฉันต้องการอยู่บ้านมออยู่าต มาท่านก e ็อยู <g <g ่ยากต่อดิฉันต้องการอยู่คนเดียวมาท่านอย ksiolla มาท่นอย ksiolla คุณอยากอยู่ที่นี่ไหมท่าหัดซาซิยาตาท่าหัดซาซิยาตาคุณอยากทานอาหารที่นี่ไหมท่าหัดซาซิินซุยยาท่าหัดซซิินซุย คุณอยากนอนที่นี่ไหมตาฮอซาซีนมกอต่ะาฮอซาซีนมกคุณต้องการเดินทางพรุ่งนี้ไหมคะาฮเตเมมรราซิตตาตาฮอเตเมมราซตาคุณต้องการอยู่ถึงพรุ่งนี้ไหมคะตาฮเตเตโมเซนิเาตาตาฮเตเมเซนิาา คุณต้องการจ่ายเงินพรุ่งนี้ไหมคะถ้าจะได้อาร์เ a วั e ลัมต้อาร์เรวัลล์สฮัมมคุณอยากไปดิสโก้ไหมถ้าจะได้ดิสกลินนาถ้าจะได้ดิสโก้เลมินนาคุณอยากไปดูหนังไหมถ้าจะไก n นนาถกิน คุณอยากไปร้านกาแฟไหมต้าดเตะกาแฟกุศะ้าดเตะกฟกุศะ